พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลําลำดับที่20สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16กรกฎาคม2554มีเชื่อเรื่องว่าความเป็นมาผ้าอาบน้ำฝนเออเมื่อกี้ในหัวหน้าคณนะธรรมทาน ได้กล่าวได้ไหว้พระแล้วก็กล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาเ่คือเทียนพรรษาก็คือไว้จุดสักการะบูชาในพรรษาพระสงฆ์มาร่วมประชุมทำวัดเย็นหรือว่ามีกิจธุระหรือว่าพระสงฆ์อยู่ตามลำพังไม่มีไฟฟ้าอยู่ในที่กุฏิก็จะได้ใช้ไฟ จุดและก็เดินจงกรมที่ทางเดินยงกรมล้วนแล้วจะมีประโยชน์มีคุณค่ามีต้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลของคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่มีจิตศรัทธาพอวัดของเราเห็นไฟฟ้าก็เห็นอยู่ที่ศาลาเท่านี้แหละกันนอกนักนั่นเข้าไปข้างในพระสงฆ์หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ต่อสายไฟเข้าไป ไม่ได้เชื่อมสายไฟเข้าไปให้มีแต่ใช้ไฟเทียนเทียนจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฉายเวลาเดินทางเพราะวัดหลวงพ่อในี่กว้างพันกว่าไร่พระสงฆ์จำพรรษาทั้งหมดปีนี้ถ้าว่าวันนี้ละเป็นวันที่แน่นอนแต่ขณะนี้ก็พระที่จะเตรียมจะจำพรรษาทั้งหมด48รูปสำมมนเณรไม่มีปีนี้ แล้วก็วันนี้ตนะตอนเย็นก็คงจะอธิษฐานพรนษาถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นก็พระก็คงจะจำพรรษา48 48โรคนะแล้วก็เมื่อกี้หัวหน้าคณะธรรมทานได้กล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนนี่เป็นมาอย่างไรอันนี้ก็คือพุทธานุ ญ, ญาต พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระสงฆ์ใช้ผ้าอาบน้ำแต่เมื่อพระสงฆ์ประกาศพระพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้ใหม่พระสงฆ์ก็มากขึ้นตามลาดับลาดับเพราะเกิดเคารพความเคารพนับถือเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีคนออกมีพระสงฆ์ออกมาบวชมากแต่ว่าการใช้ผ้าเนี่ยผ้าในยุคนั้นก็คงจะไม่มี ไม่มีโรงงานอย่างทุกวันนี้คงจะมีกีกระตุกก่อจะได้ผ้ามัดแต่ละผืนเนี่ยก็เป็นของยากลำบากมากเพราะนั้นผ้าจึงหายากในยุคสมัยครั้งพุทธกาลเทวีท่านี้พระสงฆ์ท้งหลายเขามาบวชก็ตามมีตามเกิดอย่างที่ว่าผ้าบางสกุลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้คณะชายาวยาตโยฟังมามากต่อมาก ผ้าเก็บผ้าตกหรือว่าผ้าเก็บหรือผ้าเขาทิ้งแล้วจับมาปฏะติปต่อแล้วมาเย็บเป็นผ้าจีวรผ้าสบงผ้าอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ผ้าที่ไม่จําเป็นเลอย่างผ้าอาบน้ำเลยผ้าสง์ท่านก็ไม่มีมีแต่ผ้านุ่งผ้าจีวรส่วนผ้าสง์ผ้าอาบน้ําเลยก็ผ้าสง์ก็ใช้เปื่อยกายอาบน้ำเลยในครั้งพุทธกาลนะอันนี้พูดตาม ตามพระภินัยด้ตามในพระไตรปิฎกท่านได้กล่าวเอาไว้นะสาเหตุที่มีผ้าอาบน้ำฝนนั้นเป็นมาอย่างไรอันนี้หลวงพ่อไม่ได้เอาครั้งนู้นมาประจานไม่ใช่นะใครเข้าว่าท่านธรรมดายุคนั้นสมัยนั้นคือว่าถือว่าเป็นธรรมดาพระสงฆ์อยู่ด้วยกันทีนี้ก็พระสงฆ์มันมีผ้าอาบน้ํำยุคสมัยนั้นคือพระพุทธเจ้าก็ห้ามพระสงฆ์ไม่ให้อาบน้ํา ติดต่อกันอีกต่างหากก็แปลกเหมือนกันนะวินัยจุดนี้15วันจึงอาบน้ําได้หนหนึ่งถ้าภิกษุอาบน้ําติดต่อกันปรับอบัตแต่ปาจิตตีอีกเหมือนกันถ้าเว้นไว้แต่ฝนพายุมาหรือว่าฝนตกหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจําเป็นจะต้องได้ใช้ต้องอาบน้ําจึงให้อาบได้ถ้าว่าไม่จําเป็นอยู่ดีมีสุขอยู่ห้ามอาบน้ํา15วัน แต่เราเพียงวันเดียวนั่กับพอแรงน่ะแต่ปัจจันต์ประเทศอย่างประเทศเราอาบน้ําได้เป็นนิดไม่เป็นอาบัติแต่แต่ว่าอารยประเทศคือประเทศกลางแห่งประเทศอินเดียนะมัจฉิมประเทศประเทศอินเดียสิบห้าวันจึงอาบน้ํำได้หนึ่งถ้าหากว่าไม่ถึงสิบห้าวันอาบน้ําปรับอาบัตดอันนี้ก็คือพระวินัยจะได้วันหนึ่ง วัดป่าเชิตะวันมหาวิหารฝนตกกลางวันถึงฝนตกแรงมากพระสงฆ์ก็เห็นว่าอันนี้คือพระพุทธเจ้าอนุญาตให้อาบน้ําได้เพระาะฝนตกเนี่ยพายุมาฝนตกพระสงฆ์ก็เลยเปลืยการลงไปอาบน้ำถึงต่างคลุก็ต่างอาบน้ํากันทีเนี่หากระโปรงหากระป๋องรองน้ำบ้างอาบน้ํากันต่างกลุ์ก็ต่างอาบน้ําทีนี้นางคนใช้คนนางวิสาขาเข้าไปทุระ นางวิสาขาใช้คนใช้ไปเอาของไปถวายพระสงฆ์ดูน้ําปานะไปถวายพระสงฆ์ตอนบ่ายอย่างนั้นอ่ะพอเข้าไปไปเห็นพระสงฆ์กําลังอาบน้ําตอนกลางวันตอนบ่า ย, ยาต่างองค์ก็ต่างเปือยกายอาบน้ํากันที่นางคนใช้ไปเห็นไปเขบอกว่าพอกลับมาเป็นไงเห็นพระสงฆ์ไหมไม่เห็นเห็นแต่พวกเดรัทธีชีเปือยเต็มวัดอย่างนั้น นางวิสาก็สะอึกในใจอลไรกันเนี่ย อ, อใช่วันนี้เป็นวันฝนตกพระสงฆ์คงอาบน้ำเอีแต่นางนี้คนใช้นะเขาไม่รู้ว่าเป็นพระสงฆ์แต่ว่าเห็นแต่คนชีเปื่อยนีอาบน้ำแต่นี้นางวิสาขาข น, นายกเป็นเหตุเท่นี่คือนางวิสาขานี่เป็นผู้มีปัญญาเห็นเหตุอันไหนที่จะทําให้เสียเสื่อมเสื่อมเสียเสียหาย นางก็ต้องได้คิดลแล้วจ้เนี่พรเป็นพุทธาอุปถากฝ่ายอุบาสิกาได้สําเร็จพระโสดาบันตั้งแต่อายุ16ปีนางนี่ก็เป็นอุปธรมรมปฐากนิมนต์พระสงฆ์มา่ฉันเป็นประจําทนนี้นางก็เลยเข้าไปกราบขอพรจากพระพุทธเจ้าบอกกราบพระพุทธเจ้าจะได้ก็หม่อมฉันอขอให้พระสงฆ์ใช้ผ้าอาบน้ําฝนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ เ, เพราะว่าบางคนพวกที่ ไม่เลื่อมใสก็จะไม่เลื่อมใสถ้าพู้เลื่อมใสยอยู่แล้ว เ, เห็นพระสงฆ์เปลือยกายอย่างนี้ก็อาจจะคลายความเลื่อมใส เ, เพราะทั้นขอให้พระพุทธองค์รับอนุญาตให้พระสงฆ์ใช้ผ้าอาบได้อาบน้ําด้วยเทินพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็เลยรับรับตั้งแต่นั่นมาพระองค์ก็เลยบัญญัติวินัยถ้าหากว่าก่อนข้อพรรษาเดือนหนึ่ง จึงถวายผ้าอาบน้ําฝนได้แล้วก็อีกกี่วันสิ15วันนี่ยหลวงพ่อก็จําไม่ผิดให้จำไม่ไม่เน็ไม่แม่นนะให้พวกเราไปตรวจดูก็ได้วินัยจุดนี้นะคือศินสอยยี่สิบเของของพระเนี่ยคือว่า15้าวันจึงอพิณทูอธิษฐานให้ใช้ได้แต่ก็นอกจากนั้นก็ท่านก็ไม่ได้ให้ใช้อีกใช้ยังไงก็ได้แต่ก็ต้องมาคิดอีกว่าจะใช้ยังไงแต่ อย่างประจั้ประเทศอยู่ประเทศของเราเนี่ยอาบน้ําเป็นนิดได้ทุกเวลาเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่ไม่มีอะไรกดเกณฑ์อะไรรัดกลุ่มแต่ว่าห้ามพิกธสูตมาให้อาบน้ำสิบห้าวันนั้นกับมีวินัยอีกพระพุทธเจ้าบัญญัติคือวินยวัยบัญญัติของพระพุทธเจ้าเนี่คือมีเหตุที่ก่อนพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินยัยเพราะนั้นพวกเรา เน่อาอยากจะรู้ในรายละเอียดก็ต้องศึกษาอันนี้หลวงพ่อพูดเป็นข้าวๆให้ฟังว่าทำไมจึงมีมีผ้าอาบน้ำฝนต้นเหตุเป็นมาอย่างไรพวกเราก็พอจะเรยรู้ว่านางวิสาขาเป็นผู้ถวายสาเหตุก็เพราะว่าผ้าท่าสูงอาบน้ำกลางวันเปื่อยกายแล้วก็ผู้ที่เห็นแล้วก็ผู้ที่ไม่เลื่อมใสหรือว่าผู้เลื่อมใสอยู่แล้วก็ไม่รู้คิดว่าเป็นชีเปื่อย เต็มวัดไปเลยฮะอย่างที่คนใช้ของน้ำวิสาขาเข้าใจนะ น, นี่แหละพุทธศาสนาเป็นมาแต่ถึงจะไงก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้เป็นวันเป็นวันเข้าพรรษาละวันนี้วันเข้าพรรษาพรรษานี้ในพรรษานี้พวกเราจะยึดอะไรเป็นเครื่องอยู่หรือว่าเป็นเครื่องดําเนินเรื่องศีลธรรม แต่เรื่องทางโลกเราไม่ต้องโพูดละเรื่องทางโลกเนี่ยเราทํามาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพอันนั้นเราทําอยู่แล้วแต่เรื่องทำ เ, เรื่องเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจพวกเราเนี่ยเราจะยึดอะไรในพรรษานี้ เ, เป็นหลักจิตหลักใจข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่แห้ขาดข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาทุกวันแต่ละวันไม่ให้ขาดาข้าพเจ้าจะใสาบาต ท, ทําบุญทุกวัน พระใกล้บ้านไม่แหกขาดข้าพเจ้าจะงดบุหรีข้าพเจ้าจะงดจุราในพรรษาในสามเดือนนี้สิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกๆ ท, ท่านนะที่เป็นทุกสิธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปมันไม่ใช่ผ่านแต่เดือนวันคืนเดือนปีนะชีวิตของพวกเราก็ผ่านไปเป็น นาทีวินาทีเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไปผลที่สุดก็ผมไม่เคยขาวกว่าเขาฟันไม่เคยหลุดก็หลุดหนังไม่เคยเหี่ยวก็เหี่ยวหลังไม่เคยโค้งกว่าโค้งมันเป็นไปตามวัยของสังขารแต่พวกเราก็ถือว่าเป็นธรรมดาแต่ตามไม่จริงไม่ธรรมดานี่อีกสักวันหนึ่งเมื่อถึงจุดจบแล้วไม่ธรรมดาไม่มีใครทกยิ่งกว่าตัวของเราเองตัวของเรานั่นแหละทกมากที่สุด ในเมื่อถึงจุดนั้นเพราะนั้นจะว่ายมมันทูดเขาไม่เตือนไม่ได้นะยมมันทูดเขาเตือนแล้วที่หลวงพ่อเคยพูดมีตาแก่คนนึงตายไปอายุเจ็ดสิบกว่าตายไปก็ไปโมโหให้ยมยมมทูดอบอกว่ายมมทูดไม่บอกไม่กล่าวาตามตามไม่จริงน่าจะเตือนข้าวไปเจ้าก่อนข้าวไปเจ้ามีพันธะธุระพิ่นัยกงพิ่นกยกม ไม่ได้สั่งเสียลูกหลานเลยและก็ปูบ ป, ปรับกระชากชีวิตของข้าพเจ้ามาอย่างนี้แสดงว่ายมมาโทษไม่เป็นธรรมทำไม่เป็นธรรมกับข้าพเจ้าเลยเไปเถียงโยมมาโทษเขาเยมมาโทษโต๊โต๊ ะ, ต ะ, ตะเปี้ยงใส่เลยว่างั้น เ, เราเตือนมารู้กี่ครั้งแล้วแกไม่ฟังเองทางนี้ก็ขึ้นเสียงแข็งต่อยมมาโทเตือนที่ไหนเมื่ อ, อไรบอกมาซิยมมาทษเขบอกว่าเนี่ย เอออายุเท่าไหร่ผมงอกอายุเท่าไหร่ฟันหลุดอายุเท่าไหร่ตาฟ้าฟางเออเมื่อผมงอกนั่นแหละจดหมายฉบับที่หลึ่งเตือนไปแล้วคุณคน ค, คุณแก่แล้วนะผมงอกแล้วนะเมื่อตาฟ้า ฟ, า, ฟางเข้ามาเนี่ยคุณตาไม่เห็นเอตหผลทางแล้วนะเ ต, นะตือนแล้วนะเออแต่แกก็มาเปลี่ยนเลนซะมาใส่แว่นเข้าไปซะตออมากระเตือนอีกฟันหลุดอีกเออ พอฟันหลกก็ยังไม่ยอมอีกยังหาฟันมาเสริมเขาไปอีกอไม่โล้เตือนไม่รู้กดจดหมายไปรู้รรกี่ฉบับก็ยังไม่เชื่อจะว่ายมทูตไม่เตือนได้อย่างไรแน่ยมทูตก็เตือนเป็นระยะระยะนะพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นความแก่เนี่ยเตือนพวกเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นขอให้พวกเรานะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้อีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้อง จากกันอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมากขู่กันนะเพียงแต่ว่ามารณะภัยเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่พวกเราควรจะสรรวมรวมะังควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอันนี้เป็นบอกเป็นการบอกกล่าวบอกกล่าวเตือนกันเหมือนกับนี่แหละผิดภัยอยู่ข้างหน้าอันต ร, รายใหญ่หลวงนะพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทนะอันนี้คือบอกคนรักกันนะคุณรักกันคุณมีน้ำใจต่อกันคุณมีคนมีเมตตาต่อกัน พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีน้ําใจบอกกล่าวเตือนสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้ออีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบแน่นอนนะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเตือนพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว เราจะยึดอะไรเป็นหลักในพรรษานี้ยึดบุญกุศลตรงไหนข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันจะนั่งภาวนาทุกวันไม่ให้ขาดจะใส่บาต ท, ทุกวันไม่ให้ขาดอย่างหลวงพ่อพูดเมื่อวานเนี่ยใสบาตรทุกวันจะทํายังไงหลวงพ่อพราผมบางทีก็นอนตื่นสายบ้างตุราการงานบ้างจะไปคอยเฝ้าถนนใส่บาตก็คงเสียเวลาหลวงพ่อว่าถ้าเรามีปัญญานะเราใช้ปัญญาที่จะอยากจะทําบุญ ก็ไม่มีปัญหาอย่างเออวันนี้พวกพวกเราจะใส่บาตสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็มีกระปุกขึ้นมาหมูหมากาไก่กับยอดลงหลังกระปุกหมูหมากาไก่นั่นแหะแล้ววันนี้เราจะทําบุญจะกับสมเด็จพระสังฆราชถวายกล้วยน้ําว้าใบหนึ่งกล้วยหอมใบหนึ่งนมกล่องหนึ่งกล้วยเดี๋ยวชามหนึ่ง อ, อ, อะไรก็ได้ที่เราอยากอยากจะทาน แล้วก็ถวายสมเด็จพระสังฆราชหรือถวายสมเด็จองคไหนก็ได้หรือถวายครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาองคไหนก็ได้ที่เรารักเคารพนับถือเนี่ยเราก็ใส่ลงไปคนสุดท้ายเมื่อออกพรรษาแล้วดึงหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็นำเจตุปปัจจัยนั้นไปถวายท่านอันนี้เ อ, เอาอาหารใส่บาตรพระคุณท่านเนะครับผมเจ้าข้าว่ากันนี่แหละอันนี้คือพิธีการทําบุญถ้าเรา ใส่ใจในการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วทำได้ทั้งนั้นเว้นเสียแต่เราไม่ใส่ใจถ้าเราไม่ใส่ใจพระเดินพินอบัต ท, ทุกพีทุกวันเราก็เห็นพระมาเรามองขึ้นฟ้านะเราไม่มองเห็นพระอีกต่างหากนะอันนั้นแปลว่าเราไม่ใส่ใจถ้าเราใส่ใจแล้วเราจะต้องมองเห็นการสร้างบุญสร้างกุศลเรามีอยู่ไม่กินเราก็ต้องทําทานอันนี้สงแห่งการทําทานเนี่ยนะเกิดพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยาก การทํามาค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะอันนี้สงทานอันนี้สงสีนเป็นพรังเป็นพรังในจิตในใจของเราไปอยู่ณสถานที่ใดทั้งที่กันดารคู่คนก็มาร่วมมาช่วยมาส่งเสริมมาให้ทุนแก่เราเมาเมื่อเรามีห้างมีห้างสรรพสินค้าอย่างนี้คนก็มาซื้อของในห้างสรรพสินค้าของเรา เพราะเหตุไรเพราะเราสั่งสมบุญกุศลไว้แล้วถ้าเราไม่มีบุญบางทีก็เจ๊งไปไม่รู้กี่อย่างเหมือนกันนะะมีปัม๊มน้ามันเหมือนกันแต่บางบางปั๊มก็จเจริญเอาจเจริญเอาแต่บางปั๊มก็จมแหล่ไม่จมแหละบางค้าก็จอดไปเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าจะว่าการบริหารจัดการไม่ถูกก็ใช่จะว่าบุญบา ร, รมีก็มีส่วนเหมือนกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกทุท่านนะ บุญกุศลนั่นแหะจะเป็นเครื่องเรือกูลหนุนพวกเราเกิดพบได้ชาติใดถ้าคนมีบุญแล้วอสะดวกสบายทั้งนั้นแหละถ้าคนมีบาปเกิดไปพอเกิดขึ้นมากัหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิตเอคิดอะไรไม่ออกเนี่แหละเป็นภาระของพ่อของแม่แล้วทําไมจะเป็นภาระของพ่อแม่ก็พ่อแ ม, กอแม่ก็ร่วมกันทําบุญทําบาปกับคนคนนั้นน่ะเออ บางทีตัวเองไม่ได้ทําแต่ยื่นจัตตาอาวุธให้ให้เขาไปฆ่าไปฟันไปทําร้ายคนอื่นบาปกรรมตอนนั้ น, นตัวคนทําก็เป็นอันดับหนึ่งจำเลยที่1นึ่พ่อแม่ส่งเสริมก็เป็นจําเลยที่สองลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราอย่าทํากรรมชั่วกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นนะอักตังลุกตังเสโยปัชชาตปติลุ ก, กตั ง, ยยตต ก, ก, ตงกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่า เพราะคำชั่วเมื่อทำแล้วจะให้ผลเดือดร้อนตามมาเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ ใ, ให้สั่งสมคุณงามให้สังสมแต่คุณงามความดีทำสิ่งไหนก็ดูดูเอาของเราจะไปทำเอาจะไปเอาของที่อของเล็กๆน้อยๆมาแลกเปลี่ยนคุณงามความดีสมมติว่าเราจะไปเที่ยวอย่างนี้ทั้งที่เราจะ ไปสร้างบุญสร้างกุศลบางทีเราจะไปสร้างคุณงามความดีแต่เราคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนคิดไปทางกินเหล้าเมายาไปสร้านี่เราก็ไปทางนู่นสร้างแปลว่าเอาของของของต่ําเอาของเล็กน้อยมาแลกเอาของของใหญ่ของใหญ่คือคือพวกที่เป็นบุญกุศลไม่ว่าสิ่งไหนก็เถอะนะแต่อันไหนที่เราจะได้มันมีคุณค่ามีประโยชน์ แต่เราไปทำเอาสิ่งที่ไม่มีคุณค่ า, าไปแลกเปลี่ยนอย่างนี้มันก็เสียเหมือนกันนะอย่างหลวงพ่อยกชาดกให้ฟังฮะในสมัยหนึ่ง พ, พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถียวดป่าเชตตะวันวันหนึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝนพวกไ อ, อ, อพวกไอพวกมิจฉาชีพพวกโจรผู้ร้าย นำมาบุกตีตีชนบทของพระเจ้าประเสนที่โกศลเอ่อพอตีแล้วทีนี้พญาทหารพญาปรเสนที่โกศลในในท่านปกป้องไม่อยู่เอ่อสู้ไปแล้วก็สู้เขาไม่ได้แต่เลยมีจดหมายเข้ามาถึงพระเจ้าปเนสนส่งข่าวเข้ามาว่าเขาชนบทแถบนั้นนะ่ะโจรผู้ร้ายลุกฮือขึ้นมาแล้วเอ่อพวกเราตีต่อตีต่อต้านไม่อยู่พญาประเสนที่โกศลก็พอได้ยินเท่านั้นแหละ แต่เป็นช่วงฤดูฝนฝนตกหนักทนี่ในช่วงนั้นน่ะทนี้พยาปเสนก็เลยเตรียมโดท า, าที่จะเข้าไปต่อสู้กับโจนผู้ร้ายที่อยู่ที่ปลายแดนในชนบทของตนเองทีนี้ก็พอเตรียมคนโทอกองคนทัญญาหารคนโพเสร็จแล้วก็ พวกกองทัพเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราควรจะไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนเพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านเสด็จอยู่น ท, ที่กรุงสวัรถีวัดป่าเชตตะวันถ้าหาว่าเราเข้าไปถ้ามันจะเพียงพ้ำเลยเป็นอันตรายพระพุทธเจ้าก็คงจะบอกเอ้ยอย่าไปเถอะแต่ท่านก็คงจะให้ในแต่ถ้าว่าเราไปแล้วจะเป็นการดีชัยชนะพระพุทธเจ้าก็จะเฉย ท่านจะไม่เหมือนกับท่านไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใชเรื่องเรื่องการกระทํานั่นอัง น, นั้นเราควรจะไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนพอพระพญาประสิทธิ์รักพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าสุดหัวจิตหัว ใ, ใจพระพุทธเจ้าพูดยังไงพระพญาประสิทธิ์เชื่อทั้งหมดเพราะฉนั้นพระพญาประสิทธิ์นี่ก็เตรียมทับไปแล้วก็ไปพักทับไว้ก่อนแล้วก็เดินเข้าไปตามลําพัง ทหารคู่ใจเขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามเออมหาโพิ์ทำไมมีเรื่องรีบด่วนเหลือวันนี้ทำไมจึงเข้ามาแ่ผิดเวลาอย่างนี้คงมีเรื่องรีบด่วนมั้งเนี่ยมีพระเจ้าข้าเพราะชนนบทของข้าพระ อ, องค์เดี๋ยวเขากำลังมีพวกโจรผู้ร้ายกาลังมีปัญหาก่อจลาจนกันอยู่ข้าพระ อ, องค์จึงได้ เ, เตรียมพลโยธาจะออกไปปราบจราจนพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ก็นิ่งพระองค์บอกว่าการที่จะทำอะไรลงไปเนี่ยมันต้องดูเจ้าก่อนนะเพราะว่าการที่จะแลกเอาของใหญ่ไปแลกของเล็กเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันนะมหาพพิษ มีแล้วในครั้งในครั้งพุทธกาลในครั้งก่อนในครั้งก่อนเคยมีมาแล้วอย่างนี้พยาปเสนก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าครั้งไหนพระเจ้าข่ายครั้งอดีตกาลพระพุทธเจ้าเลยยกเป็นชาดกให้ฟังเสมัยหนึ่งพระเจ้าพ ม, มาทัดครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีเหมนะือะแล้วทีนี้มีชนบทอย่างที่ว่านั่นนะมีชนบทเกิดศึกสงครามขึ้นมา พระเจ้าพาระนเรศีก็จะยกพลโยธาหานไปปราบจราญชนในชนบทแต่นี้ก็ยกไปกับไปถึงหนทางที่นอกเมืองก็เลยเตรียมพลพักที่จะยกเข้าไปแต่มีอํามาตย์ผู้หนึ่งอํามาตย์ผู้นั้นเป็นผู้มีสติปัญญาอํามาตย์ก็คือเป็นองค์ข้ามนลตรีนะนะั่นแหะเป็นที่ปรึกษาเป็นให้เป็นผู้ให้คําแนะนําพระเจ้าแผ่นดินคือองค์ข้ามนตรีนะตอนนี้องค์ข้ามนตรีท่านก็ ไปด้วยทีนี้พอไปพักพลที่นั่นพวกทาหารทั้งหลายเขาก็เลยเอบขัวถั่วที่สงนะ่เออถั่วดินเนะี่ยัวขัวเสร็จแล้วเขาก็มาเทใส่รางให้ม้ากิน เ, เทให้ม้ากินแต่ได้เล็งอยู่แถวนั้นก็วิ่งลงมาม้าก็จับจัดจัดจัดจัดใส่ปากจนกระพุ้งแก้มตุ๋ยทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็กำใส่มือขึ้นดิบ กำคือมือขึ้นอีกวิ่งขึ้นไปหรือวิ่งขึ้นไปต้นไม้เออพอป่ากก็เต็มมือก็เต็มพอได้มีถั่วลิสงเม็ดหนึ่งมันหลุดจากมือเลียงมือมันเล็กใช่ไหมล่ะมันหลุดจากมือป๊อปลงไปเลียงตอนนั้นก็มองเห็นเม็ดถั่วที่มันหลุดจากมือเนะ่ยเออพอหลุดเม็ดเดียวนะแต่เลียงนี่โยนโยนเม็ดถั่วลิส ง, งีทิ้งทั้งกํามือในป่าก็คลายทิ้งอีกลงไปหาเม็ด เม็ดถัว่วลิสงเม็ดที่มันตกลงไปอมมาตก็เห็นเนี่ยแต่นี้พระเจ้าเป็นดินก็เห็นเอี่ยที่นั่งอยู่เรื่อยๆถามมลิงมันทํำยังไงพระเจ้าเป็นดินถามอมมาต ถ, ถามปุโรหิตถามองค์ขมนตรีกลิ่งมันทำอะไรองค์ขมามณฑีท่านบอกตอบว่ากลิงตัวนี้มันโง่เพราะเหตุไรเพราะถัว่วลิสงอยู่ในปากก็เต็มอยู่ในมือก็มี แต่ถั่วลิสงเม็ดเดียวที่มันตกลงไปในพื้นน่ยลิงก็ลงคว้าลงไปหาไปหาเม็ดเม็ด ถ, ถั่วลิสงเม็ดนั้นนี่แหละถ้าลิงฉลาดนะจำไม่จริงอยู่ในปากก็มีอยู่แล้วอยู่ในมือก็มีน่าจะกินในปากในมือซะก่อนจะค่อยลงมาหาก็ได้ อ, อ, อันนี้ปล่อยทิ้งทั้งหมดอันนี้พวกคนทั้งหลายพอดีถ้า ส, สแสวงหาทรัพย์ ทำใหญ่เอาตัวใหญ่ไปแลกตัวเล็กเนี่ยไปว่าเขาว่าไปไปว่าโง่โง่เอาของใหญ่ไปแลกของเล็กโง่เอาของดีไปแลกของไม่ดีโง่อันนี้พวกเราจะยกพลไปสู้รบกับชนนบทเนี่ยที่เขามาอยู่ในชนนบทที่พวกโจรผู้ร้ายอยู่ในชนนบทมีอยู่เดียเ๋ยวนี้เรายกพลโยธาหารไปเข้าไปเนี่ย ทั้งช้างทั้งมา้าบางทีช้างอาจจะติดลมรถอาจจะติดลมเสียหายจะมากกว่าถ้าว่ารถเรายกไปในขณะนี้แต่ถ้ามันเสียหายในชนบทนั่นก็เสียหายนิดหน่อยแต่ถ้าเรายกไปเนี่ยจะเสียหายมากกว่าไปเจ้าค่ะขอให้พระ อ, องค์คิดดูให้ดีกันแล้วกันแต่ถ้าเรายกพลไปหน้าฝนอย่างนี้ความเสียหายพลพักทหารอาจจะล้มตายก็ได้ เพราะมันสมัยนักก่อนคงจะมีผ้าไม่มีพ้าตรงผ้าเต็นท์อย่างทุกวันนี่ไงก็แบบเปียกปอนไปหมดผลนิสัยก็ผลพักก็ตายเยพราะเหตุไรเพราะเดินทับหน้าฝนพระเจ้าเป็นดินได้ยินก็โอ้ใช่เอ้าวยกทับกลับกเดี๋ยวบทหน้าฝนค่อยไปปราบมันจะค่อยไปปราบไปหน้านี้ไม่ได้เสียหายเสียมากกว่าได้นี่แหละอันนี้พระเจ้าเป็นดีนก็ยกพลกลับมากลับมา พวกนั้นก็ได้ยินข่าวว่าพระเจ้าเป็นดินจะยกพลมาพวกชนนบทนั่นก็แตกหนีไปคนละทิศคนละทางพราะพระเจ้าเป็นดินเอาจริงและข่าวนี่พวกนั้นก็เลยแตกไปบ้านเมืองก็เลยสงบพร่มเย็นข่าวนี้ก็เหมือนการพญาประสิทธิ์ที่โคโกศล น, นี่จะยกทัพไปขาวนี่พอไปถึงวัดป่าเชตตะวันพอดีจริงหลังจากนั้นก็พระพุทธองค์ได้ยินนิทานเรื่องนี้แหละ พ, พุทธองค์ยกเป็นซาดกขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าประเสิทธิ์ก็ได้ยกพกลับอีกเหมือนกัน โจนผู้ร้ายได้ยินกับเปิดแหนบหนีอีกเหมือนกันนี่แหละพระพุทธองค์ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามต้องคิดบวกลบคูณหารดูก่อนว่าการกระทำอย่างนี้กับที่เราจะได้จะได้ผลออกมานั้นอันไหนมากกว่ากันไม่ใช่ว่าอย่างคำพังเพยคนเขาเขียนไว้นะไทย ไทยไทยแท้นะทำใหญ่ไปหาเล็กทำใหญ่ไปหาเล็กแต่เจ๊กทำเล็กไปหาใหญ่ <c oughs> เ, ออเจ๊กเนี่ยทำเล็กไปหาใหญ่ทามาค้าขายทีละน้อยละน้อยก็ใหญ่ขึ้นแต่ไทยเนี่ยขายไร่ขายนาไปทำมาค้าขายทั้งหมดออทำใหญ่ไปหาเล็กหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออมันเข้าทำนองนี่แหละทำนองทีเออ่เราจะยกพลพักไปเพื่อ ปกป้องชวนบทแต่ไปหน้าผลไปผิดการเวลาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะจะทำสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าเราลงทุนมากแต่จะได้ผลเพียงเล็กน้อยบันฑิตท้าปราดในครั้งเก่าแก่หรือว่าำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ไม่ส่งเสริมนะท่านว่าโง่นะพระธรรมคันท่านว่าโง่ถ้าทำอย่างนั้ น, น่ะเพระเหตุไรเพราะว่า เราเอาของใหญ่ไปแลกของเล็กอย่างพระเจ้าพระธนสีกวดีเจ้า พ, พระเจ้าประเสิทธิโกศลก ว, กวดีจะยกกองทัพไปหน้าฝนคนจะล้มหายตายจากเท่าไหร่ชนนบดนั่นก็เป็นชนบทที่ไม่เจริญเท่าไหร่แต่เราเอาไปแล้วกับใช่ไปไล่โจนผู้ร้ายออกได้แต่ว่าพลพักเนี่ยเสียหายเท่าไหร่ตายไปเท่าไหร่ช้างม้าที่เป็นพาหนะเนี่จะล้มตายไปเท่าไหร่ เน่ารหารหารันเจะตายไปเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้มานั้นก็คือได้ครอบครองชนบทเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะอันนี้ พ, พระพุทธองค์ก็สอนให้พวกเราเป็นชาดกให้พวกเราได้คิดเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นพวกเราเป็นฆราวาสญาติโยมเป็นผู้ครองเรือนจะทำสิ่งไหนก็ตามนะนักตั้งแต่หลวงพ่อเป็นต้นไปนะหลวงพ่อก็อยู่ในโลกเหมือนกันนะหลวงพ่อจะทำอะไรสิ่งไหนก็ตามนะ บวกลบคูณหารไปแล้วขาดทุนนะหลวงพ่อจะพยายามถอยเหมือนกันนะขาดทุนค้ายๆก็ว่าได้ได้น้อยแต่เสียมากเนี่ยมันไม่คุ้มค่าอย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปใช้มุททลุอย่าไปใช้โมโหโกธาอย่าไปใช้อารมณ์ถล่มเข้าไปผลที่สุดก็เสียหายเหมื่อเมื่อเสียหายขึ้นมา แ, แก้ไขา ย, ยากเพราะฉะนั้นให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความใจเย็น ใช้ความรอบคอบเ น, นการเป็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้พูดให้ฟังเบื้องต้นก็คือการสั่งสมบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่เมื่อเราเป็นผู้คองเรือนสิ่งไหนก็ตามมันจะเสียมากเสียน้อยได้เสียอันนี้กับพวกเราควรจะใช้ชาดกของพระพุท ธ, เ, ธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะถ้งพวกเราใช้อย่างนี้ พวกเราไปอยู่นัสถานที่ใดความรอบคอบก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราทําอะไรจะไม่พริพรามจะทําอะไรก็ไม่ตามอารมณ์ต้องคิดรอบคอบซะก่อนยังค่อยทำในจุดนั้นๆเรื่องนั้นๆแ้น่นความผาสุกก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาและต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะแต่ถึงยังไงก็อย่าลืม ในพรรษาในพวกเราจะยุดอะไรนะให้ยึดสักอย่างหนึ่งหยุดบุหรี่หยุดเล่าหยุดอบายจมุกแ ค, ค่ให้ได้อหรือว่าเราจะไปกราบพ่อแม่ทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอนาทิตย์ไปกราบพ่อแม่ทางสามีวันเสาร์วันเสาร์าไปกราบพ่อแม่ทางภรรยาพาลูกพาหลานไปล้วนแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคลทั้งนั้นน่ะ ถ้าพวกเรามีกฎกติกาส่งเสริมคุณงามความดีนะแต่พวกเราอยู่เฉยๆแต่ละวีแต่ละวันผ่านไปผ่านไปมันก็อย่างว่านะวันคืนเดือนปีผ่านไปไม่ใช่มันผ่านไปแต่วันคืนเดือนปีนะชีวิตของเราก็ผ่านไปด้วยเพราะนั้นจะตั้งอยู่ในความประมาทถึงวันนั้นมาจะไปเถียงโยมพุทธโยมมาทูตไปได้นะไปเถียงโยมมาทูตไหมโยมมาทูตเขาเตือนแล้วนะเนี่ยจดหมายมัลโลกี่ฉบับ เราไม่สนใจเท่านั้นเองจดมาจดหมายฉบับไหนมาก็ฉีกทิ้งหมดอจดหมายผมหอกแล้วนะฟันหลุดแล้วนะตาฝ้าฟางแล้วนะหูตึงแล้วนะหนังเหี่ยวแล้วนะไม่ฟังผลในสุดจะไปเถียงเขาอีกว่าเขาไม่เตือนไม่เตือนได้ยังไงเขาเตือนมาเป็นระยะระยะแต่พวกเราไม่ฟังเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นพวกเราฟังนะอของเราเป็นยังไงอย่างหลวงพ่ออินเห็นไหมใส่แบนเลย อย่อมาโูดเขาเตือนนะนะหงพ่ออินได้แก่แล้วนะฮะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะต่อไปก็จะเตือนไปเรื่อยๆผมเหงอกหูหตึงไปเรื่อยๆคอยพวกเราให้เสังสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพอรอุทิศส่วนกุศลหน้า